รัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคาพุทธะภิกษุท้งหลายปฏิปทา4ประการเหล่านี้มีอยู่คือการปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้า 2. ทุกขาปฏิปทาคิปปาปิญญา คือการปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วสสุขาปฏิปทาทันธาปิญญาคือการปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้า 4. สุขาปฏิปทาคิ ป, ปาปิญญาคือการปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วปฏิปทา4อย่างเหล่านี้แหละ ในปฏิปทาสี่อย่างนั้นก็ทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาเพื่อการปฏิบัติลำบากทังรู้ได้ช้าเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้โดยปกติเป็นคนมีราคระกล้าย่อมได้เสวยทุกโทมนัตอันเกิดจากราคระเนืองๆบ้างโดยปกติ เป็นคนมีโทสะกล้าย่อมได้เสวยทุกโทมนัสอันเกิดจากโทสะหนึ่งหบ้างโดยปกติเป็นคนมีโมหะกล้าย่อมได้เสวยทุกโทมนัสอันเกิดแต่โมหะหนึ่งๆบ้างอินรีย์าประการนี้คืออินรีย์คือศรัทธาอินทรีย์คือวิริยะอินทรีย์คือสติ อินทรีคือสมาธิและอินทรีคือปัญญาของเขาปรากฏว่าอ่อนเขาย่อมบรรลุกุณวิเศษเพื่อความสิ้นอสวะได้ฉาเพราะอินทรีทั้งห้าเหล่านั้นอ่อนตอนนี้แหละเรียกว่าทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาคือการปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ฉาพิสุจน์ตรตงไหน ก็าการปฏิบัติลำบากและรู้ได้เร็วคือทุกขาปฏิปทาหิปปาพิญญาเป็นจะไหนคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีราคะกล้ามีโทสะกล้ามีโมหะกล้าย่อมได้สวยทุกโทมนัสอันเกิดแต่ราคะโทสะหรือโมหะหนึ่งหนึ่งบ้าง และอินทรีห้าประการเหล่านี้คืออินทรีคือศรัทธาอินทรีคือวิริยะสติสมาธิและปัญญาของเขานั้นปรากฏว่าแก่กล้าเขาย่อมบรรลุกุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะได้เร็วพลันเพราะความที่อินทรีทั้ง5แก่กล้านั้นนี่แหละเรียกว่าทุกขาปฏิปทา ปนาพิญญาคือปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วพิสูุรทังหลายก็สุขาปฏิปทาทันทาพิญญาคือการปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้โดยปกติไม่เป็นคนมีราคะกล้าย่อมไม่ได้เสวยทุกขโทมนัตอันเกิด แต่ราคะหนึ่งหนึ่งบ้างโดยปกติไม่เป็นผู้ที่มีโทสะกล้าย่อมไม่ได้เสวยสุขโสมนัสอันเกิดแต่โทสะหนึ่งหนึ่งบ้างโดยปกติไม่เป็นผู้ที่มีโมหะกล้าย่อมไม่ได้เสวยทุกตัวมนัสอันเกิดจากโมหะหนึ่งหนึ่งบ้างและอินสี่ห้ประการเหล่านี้ คืออินทรีย์คือศรัท ธ, ธาเป็นต้นของเขาปรากฏว่าอ่อนเขาย่อมได้บรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นไปให้อาสวะชา้าเพราะความที่อินทรีย์ห้านั้นอ่อนนี่แหละเรียกว่าปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ชา้าคือสุขขาปฏิปทาทัานทาพิญญาพิสุจน์ต้งหลายก็ปฏิบัติสะดวกและรู้ได้เร็ว คือสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในโลกนี้โดยปกติไม่เป็นผู้มีราคะโทสะโมหะกล้าไม่ได้สวยทุกขโตมนัตอันเกิดจากราคะโทสะหรือโมหะหนึ่งหนึ่งบ้างและอินทรีย์ทั้งห้าของเขา คืออินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาของเขาปรากฏว่าแก่กล้าย่อมบรรลุกุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะได้ฉับพลันเพราะความที่อินทรีย์ทั้งห้านั้นแก่กล้านี้แหละเราเรียกว่าปฏิบัติสะดวกและรู้ได้เร็วคือสุขาปฏิปทาคิปปาปิญญา เลนี้แหละคือปฏิปทาสอย่างอีกในย่าหนึ่งพิสษจท์ั้งหลายทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาคือปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้้าเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้พิจารณาเห็นในกายว่าไม่งามมีความสำคัญในอาหารว่าเป็นของปฏิกูล มีความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดีพิจารณาเห็นในสังคารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงอันหนึ่งบรณะสัญญาของเธอตั้งอยู่ดีแล้วในภายในเธอเข้าไปอาศัยธรรมอันเป็นกำลังของพระเสกขะ5ห้าประกาศนี้คือศรัทธาหิริโอต ป, ปะบิริยะ ปัญญาอินรี่ห้าประการนี้คือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาของเธอปรากฏว่าอ่อนเธอได้บรรลุกุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะชาเพราะอินรี่ห้าประการนี้อ่อนนี่แหละเรียกว่าปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ชา้าคือทุกขาปฏิปทาท่านทาปัญญา พิจาหลายก็ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วคือทุกขาปฏิปตาขิปปาปิญญาเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นกายว่าไม่งามมีความสำคัญในอาหารว่าเป็นของปฏิกูลมีความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดี พิจรารณาเห็นในสังการั้องบวงว่าไม่เที่ยงอังหนึ่งบรรณะสัญญาของเธอตั้งอยู่ดีแล้วในภายในแต่เธอนั้นก็เข้าไปอาศัย ร, รมนันเป็นกำลังของพระเสกค่ะห้าประการเหล่านี้คือศรัทธาหิริโอตปะวิริยะปัญญาแต่ปรากฏว่า อินรี่ห้าประการคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของเธอนั้นปรากฏว่าแก่กล้าเธอย่อมได้บรรลุกุณวิเศษเพื่อความสิ้นอสวะเร็วพลันพระความที่อินรี์ทั้งห้านี้แก่กล้านี้เราเรียกว่าปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็ว คือทุกขาปฏิปทาคิปปาปิญญาพิสุทโธหลายก็สุขาปฏิปทาทัานตาปิญญาคือปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้สงัดจากกรรมสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุฌานที่หนึ่งมีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุข อันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้บรรลุทุติยฌานมีความป่องสายแห่งใจในภายในให้ธรรมอันเอกพุตมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเป็นผู้มีปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิดันั้นพราะละปิติใชยได้เป็นผู้มีอุบเบกขา มีสติสัมปชัญญะสเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สามเธอนั้นพระละสุขและทุกข์เสียได้จึงบรรลุฌานที่สี่มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เป็นต้นเธอนั้นอาศัยธรรมอันเป็นกำลังของพระเสกค่ะห้าประการนี้คือศรัทธาหิริอตตปะ วิริยะและปัญญาอยู่อินรีทั้ง5ประการคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาของเธอปรากฏว่าอ่อนเธอบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะได้ชา้าเพราะอินรีห้าประการนี้อ่อนอย่างนี้แหละเรียกว่าปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ชา้าคือสุขาปฏิปทา ทันทาปัญญาพิสุท์ทั้งหลายก็ปฏิบัติสะดวกและรู้ได้เร็วคือสุขาปฏิปทาคิปปาปัญญาเป็นอย่างไรเล่าคือตัตในกรณีนี้สังกัดจากกรมและสังัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุชานที่หนึ่งานที่สองที่3และที่4 เธออาศัยธรรมะอันเป็นกำลังของพระเศค่ะาระการนี้คือศรัทธาหิริอัต ป, ปะวิริยะปัญญาทั้งอินทรีทั้งห้าประการคือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาของเธอนน้นปรากฏว่าแก่กล้าเธอย่อมได้บรรลุ คุณวิเศษเพื่อความสิ้นอัสวะเร็วพลันเพราะอินทรีทั้งห้าประการนั้นแก่กล้านี่แหละเรียกว่าปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วคือสุขาปฏิปทาคิปปาปิญญามีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนพะระวิหารบุปผารามปราสาทของมิคารมามดา ในพระคนครสาวตถีก็สมัยนั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นแล้วพระทับนั่งที่ภายนอกซุ้มประตูครั้งนั้นพระเจ้าประสเสนที่โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่พระทับรันแล้วก็ถวายบังคมนั่งพระทับณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็สมัยนั้น ชลินเจ็ดคนนิครนเจ็ดคนอาเจละกาเจ็ดคนเอกษาดกนิครนเจ็ดคนปริภาชกเจ็ดคนผู้มีขนรักแร้เล็บและขนยาวถือเรื่องบริการต่างๆเดินผ่านไปในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคทันใดนั้นพระชาปสินที่โกศลสก็เสด็จลุกจากอาสนะ ทรงกระทำพระภูษาเฉียงพระอังสาข้างหนึ่งทรงจดพระชานุมนฑนเบื้องขวาณพื้นแผ่นดินทรงประนามอัญชลีไปทางสลิ น, น, น, น, น, นเจ็ดคนนิกรณเจ็ดคนอัญเจลการเจ็ดคนเอกสาดกนิกรณเจ็ดคนปริภาชกเจ็ดคนเหล่านั้นแล้วทรงประกาศพระนามสามครั้งว่าท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าชื่อพระราชาเปรเซนทิโกศนดังนี้เป็นต้นลำแบบนั้นเมื่อสลินเจ็ดคนนิครนเจดคนอเจละกะเจคนเอกสาดกนิครนเจคนและปริภาโชกเจ็คนเหล่านั้นเดินผ่านไปไม่นานพระเจ้าเปรเซนทิโกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วก็ถวายบังคม นั่งอยู่ณนะที่ส่วนกวนข้างหนึ่งได้กราบตูนกับพระผู้มีพระภาคว่าก่าแต่พค์ผู้เจริญพวกนักบวชเหล่านั้นคงเป็นพระรหาหันหรือท่านพระราตมักเหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลกในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัส ก, กับพระพเจ้าเปรตที่โกโศนว่ามหาปภิธพระองค์เป็นกหัสบริโภคกาม ครอบครองเรือนนอนเป็นผู้นอนเบียดบุตรและพระชายาอยู่ตาจุ่นไม้หอมอันมาจากแคว้นกาสีจงมาลาของหอมก็เรื่องรูปลารูปตายินดีทองและเงินยากที่จะรู้เรื่องนี้ว่าคนพวกนี้เป็นพระรันหรือคนพวกนี้บรรลุอราตมรรคมาบพิษ ศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันก็ศีลนั้นจะพึงรู้ได้โดยการนานไม่ใช่ด้วยการเล็กน้อยผู้สนใจจึงจะรู้ได้ผู้ไม่สนใจก็ไม่รู้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้มีปัญญาสามก็ไม่รู้มาประพิษความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยการงาน ก็ความสะอาดนั้นจะพึงรู้ได้ด้วยการยาวนานไม่ใช่โดยการเพียงเล็กน้อยผู้สนใจจึงจะรู้ได้ผู้ไม่สนใจก็ไม่รู้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้ไม่มีปัญญาก็ไม่รู้มาฮาพิตกำลังใจพึงจะรู้ได้ในคราวมีอันตรายก็กำลังใจนั้น จะพึงรู้ได้ด้วยการยาวนานไม่ใช่ด้วยการเล็กน้อยคนผู้สนใจจึงจะรู้ได้ผู้ไม่สนใจก็ไม่รู้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้มีปัญญาสามก็ไม่รู้ปัญญาพึงจะรู้ได้ด้วยการสนทนาก็ปัญญานั้นไม่ใช่จะรู้ได้ด้วยการเพียงเล็กน้อย จะรู้ได้ด้วยการยาวนานผู้สนใจจึงจะรู้ได้ผู้ไม่สนใจก็ไม่รู้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้มีปัญญาสามก็ไม่รู้คือบุคคลในโลกนี้เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลย่อมรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้มักทาสีให้ขาดมักทาให้ตะลุมักทา ใ, ให้ด่าง มักทำไม่ปร้อยตลอดกาลนานไม่กระทำติดต่อไปไม่บรญพฤติติดต่อในสีนทั้งหลายท่านผู้นี้เป็นคนทุศีลหาใช้เป็นคนมีศีนใหม่นหนึ่งบุคคลในโลกนี้เมื่ออยู่ร่วมกันกับบุคคลย่อมรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้มีปกติไม่ทำศีนให้ขาดไม่ทำให้ทะลุไม่ทำให้ด่าง ไม่ทำไม่ปร้อยตลอดกาลนานมีปกติทำติดต่อไปประพฤติติดต่อในศีลทั้งหลายท่านผู้นี้เป็นผู้มีศีลหาใช่เป็นผู้ทุศีลไม่คำที่เรากล่าวแล้วว่าศีลบึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันคนมีปัญญาจึงจะรู้คนมีปัญญาสามไม่รู้ มณัติการจึงจะรู้ไม่มณัติการหารู้ไม่และสีนั้นพึ่งรู้ได้ด้วยการยาวนานไม่ใช่เล็กน้อยคำนั้นเราอาศัยเพราะเหตุนี้บุคคลในโลกนี้สนทนาอยู่กับบุคคลย่อมรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้พูดกันตัวต่อตัวเป็นอย่างหนึ่ง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 ท่านผู้นี้พูดกันตัวต่อตัวเป็นอย่างไรพูดกันสองคนสามคนมากคนก็อย่างนั้นท่านผู้นี้พูดคําหลังไม่ผิดแปกจากคําก่อนมีถ้อยคําบริสุทธิ์ท่านผู้นี้หามีถ้อยคําไม่บริสุทธิ์ไม่คําใดที่เรากล่าวแล้วว่าความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยถ้อยคําคนมีปัญญาจึงจะรู้ได้ คนปัญญาศาตร์ไม่รู้เป็นต้นนั้นเราอาศัยข้อนี้จึงกล่าวแล้วก็บุคคลบางคนในโลกนี้กระทบความเสื่อมญาตกระทบความเสื่อมทรัพย์หรือกระทบความเสื่อมพระโรคย่อมไม่พิจารณาอย่างนี้ว่าโลกสัรนิวาสนี้เป็นอย่างนั้นเองการได้อัตภาพเป็นอย่างนั้นเอง ในโลกสันนิวาตตามที่เป็นแล้วในการได้อัตภาพตามที่เป็นแล้วโลกะธรรม8คือลาบความเสื่อมลาบยศความเสื่อมยศนินทาสรนเสริญสุขและทุก์ย่อมหมุนเวียนไปตามโลกและโลกย่อมหมุนไปตามโลกธรรมแปดดังนี้บุคคลนั้นกระทบความเสื่อมแห่งญาติกระทบความเสื่อม โผละหรือกระทบความเสื่อมเพราะโรคย่อมเศร้าโศกลําบากใจร่ำให้ตีอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพลิดส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้กระทบความเสื่อมเพราะโผลทรัพย์หรือกระทบกับความเสื่อมเพราะโรคย่อมพิจารณาอย่างนี้ว่าโลกสันิวาสเป็นอย่างนี้นั่นเองการได้อัตภาพ เป็นอย่างนั้นในโลกสันนิวาตตามที่เป็นแล้วในการได้อัตภาพตามที่เป็นแล้วโลกธรรม8คือลาบความเสื่อมลาบยศความเสื่อมยศนินทาสันเรินสุขและทุกข์หมุนเวียนไปตามโลกและโลกย่อมหมุนไปตามโลกธรรม8ดังนี้และเมื่อบุคคล น, นั้นกระทบความเสื่อมแห่งญาต ความเสื่อมโภคทรัพย์หรือความเสื่อมพระโรคย่อมไม่เศร้าโศกไม่ระบากใจไม่รำไห้ไม่ทุบโกชกตัวไม่ถึงความเป็นผู้มุ่งงกล้างเพอนี่แหละคำที่เรากล่าวว่ากําลังใจพึงรู้ได้ในคราวที่มีอันตรายคำนั้นเราอาศัยคำกล่าวข้อนี้บุคคลบางคนในโลกนี้ สนทนากับบุคคลย่อมรู้อย่างนี้ว่าความลึกซึ้งของท่านผู้นี้เพียงไรอภินิหารของท่านผู้นี้เพียงไรและการถามปัญหาของท่านผู้นี้เพียงไรท่านผู้นี้ปัญญาสามท่านผู้นี้ไม่มีปัญญาข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะท่านผู้นี้ไม่อ้างบทความอันลึกซึ้งอันสงบประณีตที่สามัญชนคาดไม่ถึงละเอียดอันบังดิ ตึงรู้ได้หนึ่งท่านผู้นี้กล่าวทำใดท่านผู้นี้ไม่สามารถจะบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้เป็นของตื้นซึ่งเนื้อความแห่งธรรมนั้นได้โดยย่อหรือโดยพิสดารก็ตามผู้นี้เป็นผู้มีปัญญาสามท่านผู้นี้เป็นผู้ไม่มีปัญญาเปรียบเหมือนบุรุษ ผู้มีจักษุยืนอยู่ที่ฝั่งห่วงน้ำพึ่งเห็นปลาเล็กๆผุดอยู่เขาพึงทราบว่ากิริยาผุดของปลาตัวนี้เป็นอย่างไรทำให้เกิดคลื่นเพียงไหนและมีความเร็วเพียงไรปลาตัวนี้เล็กไม่ใช่ปลาตัวใหญ่ดังนี้บุคคลเมื่อสนทนากับบุคคลก็ฉะนั้นเหมือนกันย่อมรู้ว่า ความลึกซึ้งของท่านผู้นี้เพียงไรท่านผู้นี้ไม่มีปัญญามีปัญญาสามดังนี้เป็นต้นส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้สนทนาอยู่กับบุคคลย่อมรู้อย่างนี้ว่าความลึกซึ้งขอ ง, ง, อขอ ง, ง, ของท่านผู้นี้เพียงไรอภินิหารของท่านผู้นี้เพียงไรการถามปัญหาของท่านผู้นี้เพียงไรท่านผู้นี้มีปัญญาท่านผู้นี้ ไม่ใช่ปัญญาสามก่ อ, อนั้นเพราะเหตุอะไรเพระท่านผู้นี้ย่อมอ้างบทความลึกซึ้งสงบประนีตสามัญชนคาดไม่ถึงละเอียดอันบัณดิตพึงรู้ได้และท่านผู้นี้ย่อมกล่าวทำใดท่านผู้นี้ก็เป็นผู้สามารถเพื่อจะบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผย จำแนกแจกแจงกระทำให้ตื่นซึ่งเนื้อความแห่งธรรมนั้นทั้งโดยย่อหรือโดยพิสดารได้ท่านผู้นี้เป็นผู้มีปัญญาหาใช่เป็นผู้มีปัญญาสามไม่เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีตาดียืนอยู่ที่ฝั่งห้วงน้ำเพิ่งเห็นปลาตัวใหญ่กำลังผุดเขาพึ่งรู้อย่างนี้ว่า อิริยาผุดของปลาตัวนี้เป็นอย่างไรทำให้เกิดคลื่นได้เพียงไหนมีความเร็วเพียงไรปลาตัวนี้ใหญ่หาใช่ปลาตัวเล็กไหมดังนี้ฉันใดบุคคลสนทนาอยู่กับบุคคลก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมรู้ได้อย่างนี้ว่าความลึกซึ้งของท่านผู้นี้เพียงไรท่านผู้นี้มีปัญญาหาใช่เป็นผู้มีปัญญาสามไหม คำที่เรากล่าวแล้วว่าปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาต้องใช้การยาวนานไม่ใช่การเล็กน้อยมานสิการจึงจะรู้ไม่มานสิการก็ไม่รู้คนมีปัญญาจึงจะรู้คนมีปัญญาสามหารู้ไหมและได้ตรัสคําที่เป็นคาถาต่อไปว่าคนผู้เกิดมาดี ไม่ควรไว้วางใจเพราะผิวพรรณและรูปร่างไม่ควรไว้วางใจเพราะการเห็นกันชั่วครู่เดียวเพราะว่านักบวชผู้ไม่สารวมทั้งหลายย่อมเที่ยวไปในโลกนี้ด้วยรเรื่องบริขารของเหล่านักบวชผู้สำรวมดีแล้วประดุษกุนทนดินและมาสกโลหะหุ้มด้วยทองคาปลอมไว คนทั้งหลายไม่บริสุทธิ์ในภายในงามแต่ภายนอกแวดล้อมด้วยบริวารเที่ยวอยู่ในโลกฟังธรรมคำพุทธะ